5. สมุดฐานวาระวาระว่าด้วยสมุดฐาน 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบสมุดฐานอาบัตในปาราชิกกันปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งถามอาบัตของภิกษุผู้เสพเมถุนธรรมบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัต6สมุดฐาน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 คำถามคำตอบสมุดฐานอาบัตในเสขียกันละเจ็ดปาทุกกะวัคละสิกขาบทที่สิบห้าถาม อ, อาบัตของภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อทายอุจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่ตอบอาบัตของภิกษุผ like ู Linked ้ไม่เอื้อเฟื้อทายอุจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัต6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือ เกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาสมุทฐานวาระที่หจบ